ยีสมุดฐาเปติวาระวาระว่าด้วยอธิกรยังอธิกรให้เกิดขึ้น3า4ถามวิวาธาธิกรบรรดาอธิกรณสี่อย่างยังอธิกรอย่างไหนให้เกิดขึ้นบรรดาอธิกรณสี่อย่างวิวาธาธิกรไม่ยังอธิกรอย่างไหนให้เกิดขึ้น อีกอย่างเพราะวิว า, าทาธิกรเป็นปัจจัยอธิกรทั้งสี่ย่อมเกิดได้มีอุปมาเหมือนอะไรเหมือนภิกษุทั้งหลายในธรรมวิไนนี้ย่อมวิวาทกันว่านี้เป็นธรรมนี้เป็นอธรรมนี้เป็นวิไนนี้ไม่ใช่วิไนนี้พระตถาคตได้พาสิทธไว้ได้ตรัสไว้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 นี้เรียกว่าวิวาธาทิกกรสงวิวาทกันในวิวาธาธิกรจัดเป็นวิวาธาธิกรเมื่อวิวาทกันย่อมโจ์จัดเป็นอนุวาธาทิกรเมื่อโจทย่อมต้องอาบัตจัดเป็นอาปัตตาธิกรสงทํากรรมตามอาบัตนั้นจัดเป็นกิจจาทิกกร เพราะวิวาธาธิกรเป็นปัจจัยอธิกรทั้งสี่ย่อมเกิดได้อย่างนี้315ถามอนุวาธาธิกรบรรดาอธิกรสี่อย่างยังอธิกรอย่างไหนให้เกิดอนุวาธาธิกรบรรดาอธิกรสอย่างไม่ยังอธิกรอย่างไหนให้เกิดตอบ อีกอย่างเพราะอนุวาทาธิกรเป็นปัจจัยธิกรทั้งสี่ย่อมเกิดได้มีอุปมาเหมือนอะไรเหมือนภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยนี้ย่อมโจทย์ภิกษุด้วยสีลวิบัติบ้างอาจารวิบัติบ้างทิฏฐิวิบัติบ้างอาชีววิบัติบ้างการโจทย์การกล่าวหาการฟ้องร้องการประท้วง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 สงทำกรรมตามอาบัตินั้นจัดเป็นกิจจาธิกรเพราะอนุวาตาธิกรเป็นปัจจัยอธิกรทั้งสย่อมเกิดได้อย่างนี้316ถามอาปัตตาธิกรบรรดาอาิกรสี่อย่างยังอธิกรอย่างไหนให้เกิดอาปัตตาธิกรบรรดาอาิกรสี่อย่าง ไม่ยังอธิกรอย่างไหนให้เกิดขึ้นตอบอีกอย่างเพราะอาปัตตาธิกรเป็นปัจจัยอธิกรทั้งสี่ย่อมเกิดได้มีอุปมาเหมือนอะไรเหมือนกองอาบัตทั้งห้าชื่ออาปัตตาธิกรกองอาบัตทั้งเจ็ดก็ชื่ออาปัตตาธิกรนี้เรียกว่าอาปัตตาธิกรสง ย่อมวิวาทกันในอาปัตตาธิกรจัดเป็นวิวาธาธิกรเมื่อวิวาทกันย่อมโจดจัดเป็นอนุว า, าทาธิกรเมื่อโจทย่อมต้องอาบัตจัดเป็นอาปัตตาธิกรสงทากรรมตามอาบัตนั้นจัดเป็นกิจจาธิกรเพราะอาปัตตาธิกรเป็นปัจจัยอธิกรทั้งสี่ย่อมเกิดได้อย่างนี้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 ที่จะพึงธรรมความที่สงมีกิจที่จะต้องทําอปโลกน ก, กรรมยติกรรมยติทุติยกรรมยติจตุตถกรรมนี้เรียกว่ากิจจาธิกกรสง์ย่อมวิวาทกันในกิจจาธิกกรจัดเป็นวิว า, าทาธิกกรเมื่อวิวาทกันย่อมโจรจัดเป็นอนุว า, าทาธิกกรเมื่อโจร ย, ย่อมต้องอาบัต จัดเป็นอาปัตตาธิกรสงทากรรมตามอาบัตินั้นจัดเป็นกิจจาธิกรเพราะกิจจาธิกรเป็นปัจจัยอธิกรทั้งสี่ย่อมเกิดได้อย่างนี้สมุดถาเปติวาระที่ยี่สิบจบ